สิขาบทที่4เรื่องพระชาพวคี609สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นพวกพิสุชาพพกีเมื่อชั้นบินทบาทชั้นเฉพาะแกงมากพระบัญญัติสพึงทำความสำเนียกว่าเราจากชั้นบินทบาทพอเหมาะกับแกงเรื่องพระชากีจบ สิขาบทวิพังที่ชื่อว่าแกงได้แก่แกงสองชนิดคือวงเล็บหนึ่งแกงถั่วเขียววงเล็บสองแกงถั่วเหลืองที่ใช้มือหยิบได้ภิกษุพึงฉันพิธาบาดพอเหมอกับแกงภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันเฉพาะแกงมากต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติสาภิกษุผู้ไม่รู้สีภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุชั้นแกงหลายอย่าง 6. ภิกษุชั้นของญาติเจภิกษุชั้นของผู้ป ร, รารา 8. ปภิกษุชั้นเพื่อผู้อื่น 9. ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 10. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 1. ิดภิกษุวิกลจริต 12. ภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่ 4. ี่จบ